ต่อไปว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อขอดในที่ไห น, ไ, หนไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านและไม่พึงเลียบเคียงกับชนอื่นเพราะความอยากได้ลาบ น, นะนคำว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายความว่าการซื้อการขายเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามไว้ในพระวินัยการซื้อการขายเหล่านั้นไม่ได้ทรงประสงค์เอาในอันี้ น, นะนก็ตรงนั้นก็ตรงๆก็ผิดศีลอยู่แล้วละการซื้อการขายการเลขเปลี่ยนนี่นะภิกษุตั้งอยู่ในการซื้อการขายอย่างไรในที่นี้ก็คือภิกษุทําความลวงหรือปรารถนาความเจริญย่อมเลขบาทก็ดีจีวนก็ดีบริคันอะไรอะไรก็ดีกับสหธรรมมิก5จําพวกเรียกว่าตั้งอยู่ในการซื้อการขายเนีย่ยนะวันนี้ก็แลก ข, ของเพื่อนนะเห็นของเพื่อนดีกว่าก็เลยขอแลกเขาอะอย่างนี้ก็เรียกซื้อขายเป็นกันนะ ภิกษุไม่ตั้งอยู่ในการซื้อการขายอย่างไรก็คือภิกษุไม่ทำความลวงไม่ปรารถนาความเจริญย่อมเลกเปลี่ยนบาทก็ดีจีวรก็ดีบริขารก็ดีอะไรอื่นๆก็ดีกับสหธรรมิกทั้งห้าจำพวกภิกษุไม่ตั้งอยู่ในการซื้อและการขายอย่างนี้ คำว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายความว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ไม่พึงดำรงอยู่ในการซื้อการขายพึงละบรรเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งการซื้อและการขายพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะสลัดออกไปสลัดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขาย ทั้งในสูตรนี้เนี่ยนะตัววัตาการสูตรเนี่ยเหมาะกับพิสูตรที่เป็นศรัทธาจริญจริงๆถ้าพวกโทสะจริญฟังอย่างนี้โกรธตายเนี่ยนะพวกที่เป็นศรัทธาเอ่อโทสะจริญเนี่ยฟังอย่างนี้ก็โทสะนะวู๊ใครจะไปทําได้เป็นต้นเนี่ยนะก็ร้องวุ๊ขึ้นมาเลยด้วยอํานาจโทสะก็ปฏิเสธคําสอนไม่สนใจคําสอนบางคนก็เลิกศึกษาไปเลยเนี่ยนะโอ๊ยว่าแต่เรานี่นะบางคนเนี่ยที่ที่ถ้ายิ่งประพฤติผิดมาก่อนก็ออ้ยว่าแต่เราระตะไบิดกเนี่ยอ่านไม่ไปเลยอ่านไม่สนุกเลย อ่านไม่ได้เลยนะอ่านได้งไงก็ว่าแต่เรานะถ้าศีลไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคำว่าภิกษุไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดในที่ไหนๆเนี่ยนะความว่ากิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดเป็นฉนะไหนพวกค่อนขอดกันก็คือมีสมณาพราหมณ์บางพวกผู้มีฤทธิ์มีที่ประจักษสุรู้จักจิตผู้อื่นสมณาพราหมณ์พวกนั้นเห็นได้แต่ที่ไกลอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏ นะหายตัวมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะรู้จักจิตด้วยจิตพวกเทวดาผู้มีฤทธิ์มีที่พจักสุรู้จักจิตผู้อื่นเทวดาพวกนั้นเห็นคนได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏบ้างรู้จักจิตผู้อื่นด้วยจิตบ้างสมณะพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นย่อมค้อนขอ ด, ด้วยกิเลสหยาบบ้างปานกลางบ้างกิเลสละเอียดบ้าง น, นะก็ ถูกเทวดาเขาว่าเอาอ่ะนะถามว่ากิเลสหยาบเป็นยังไงก็คือความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่เรียกว่ากิเลสหยาบทุนะจริตสามเรียกว่ากิเลสหยาบส่วนกิเลสปานกลางก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเรียกว่ากิเลสปานกลางแต่กิเลสละเอียดก็คือเนี่ยการตรึกถึงญาติตรึกถึ ง, ถงชนบทตรึกถึงอัอมระเทพคือความไม่ตายหรือปฏิสังยุตด้วยความอินดูผู้อื่นนะตรึกว่าเขาได้อนะไร ใช้เวลาโยมบุปถากสมมตินะจา์เกสอนแกมาอยู่อย่างเงี้ยแกปวดเราก็จะปวดมากกว่าแกเป็นต้นเนี่ยนะแกหายเราก็จะหายมากกว่าแกอยูนะพวกนีก้เรียกว่าไปเดือดร้อนกับเขาอ่ะพวกปฏิสังยุทธด้วยความเอ็นดูผู้อื่นนะ่ะนะหรือวิตกอันปฏิสังยุทธ์ด้วยลาบสการะและความสรรเสริญน่ะนะคือคิดอยากได้ลาบอยากได้สการะอยากได้คําสรรเสริญหรือความวิตกอันปฏิสังยุทธด้วยความไม่ดูหมิ่นก็คือคิดยังไงคนอื่นจะไม่ดูถูกตัวเองอ่ะนะอันนี้เรียกว่ากิเลสอย่างละเอียด สมณพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นพึงค่อนขอดด้วยกิเลสหยาบบ้างด้วยกิเลสปานกลางบ้างด้วยกิเลสละเอียดบ้างภิกษุไม่พึงทํากิเลสเป็นเครื่องค่อนขอดนั้นคือ <c oughs> อย่าไปทํากิเลสทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางนะเดี๋ยวเทวดาเดี๋ยวผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาจะว่าเอาห่างันเพราะนั้นไม่ควรทํากิเลสอันเป็นเครื่องค่อนขอดไม่ควรยังกิเลสเหล่านั้นให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะ พึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสทั้งหลายอันเป็นเครื่องค้นขอดพึงเป็นผู้งดเวน้นเว้นเฉพาะออกไปสลัดพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสอันเป็นเครื่องค้นขอดพึงเป็นผู้ปราศจากแดนกิเลสอยู่ยนี่นะเคาเรียกว่าความชั่วไนนะ่ะทำเนี่ยมีคนเขาเห็นเราอยู่นะสมมตินะถ้าเราทาอาุศลอยู่เราก็นึกถึงพสมัย นี่นะสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเราทำมากุศลอยู่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้นะพระ อ, องค์จะตรัสว่ายังไงนะก็คิดอย่างนี้บ่อยๆนะหรือภาษาริบุตรท่านเห็นอยู่แล้วท่านจะว่ายังไงเนะี่ยแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ก่อนตายนะแต่แย่นะบาปแ น, น่ก็มีนะสมัยพุทธกาลในพระนางมารีกาก็ไปหลอกสามีทีนี้พอหลอกสามีตอนหลังก่อนจะตายไปคิดถึงไอ้ตรงนั้นแหละ คิดถึงเนี่ยเอ้เนี่ยถ้าพ ร, พ, พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยพระองค์ตาหนิแน่ภาษาลีบ ท, ท่านรู้ท่านตําหนิแน่คิดอย่างเงี้ยเดือดร้อนใจาตายแล้วก็ตกนรกอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าจะทําบาปให้คิดอย่างนี้ไม่ใช่ทําบาปเสร็จแล้วมาฟุ้งซ่านอยู่แบบนั้นไม่ใช่ฉนั้นก็ควรชําระควรทําคืนซะว่ากันเพราะฉะนั้น คำว่าไม่พึงทําอย่างเนี้ยในที่ไหนไหนไม่ว่าจะในที่ทุกแห่งภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกเพราะนักษิูจไม่พึงทํากิเลสเครื่องค้อนขอดเนี่ยนะคือกิเลสที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาตาหนิเขาดูหมิ่นเขาเหยียดหยามเป็นต้นอย่าไปทำเหมือนกันคำว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านเนี่ยนะอย่าไปเกี่ยวข้องในบ้านทีนี้ถามว่าภิสูจนเกี่ยวข้องในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เกี่ยวข้องในบ้านนะนะก็ร่วมยินดีร่วมโศกกับพวกเครือขในบ้านเมื่อพวกเครือขมีสุขก็สุขด้วยมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยมีธุรกิจที่ต้องทําเกิดขึ้นก็ถึงการช่วยเหลือด้วยตนเองภิกษุย่อมเกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าพวกเกี่ยวข้องในบ้านนะนะหนักๆเข้าเหมือนจะว่ามันก็คือเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเข้าไปแล้วอะ่ะ อีกอย่างหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งสบองแล้วถือบาดและจีวรเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาทไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอย่อมเกี่ยวข้องในที่นั้นๆย่อมรับในที่นั้นนั้นย่อมติดอยู่ในที่นั้นๆย่อมถึงความชิบหายในที่นั้นๆภิกษุย่อมเกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้เนี่ยนะเกี่ยวข้องในบ้านหรือหมายถึงคนที่อยู่ในบ้าน นะนสับนี้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอา่อเป็นคําพูดแบบอุปจาระนะคำพูดแบบใกล้ๆอะ่ะพูดถึงบ้านแต่หมายถึงเจ้าของบ้านหรือลูกสาวเจ้าของบ้านน่ยนะังั้นพวกนี้ก็รับติดอยู่ชิดหายอยู่ในนั้นแหละเหมือนกันเรียกว่าเกี่ยวข้องในบ้านอย่างนี้หรือพิกษุนไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไรคือพิกูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เกี่ยวข้องไม่ร่วมยินดีไม่ร่วมเศร้าโศกกับพวกเครือขันในบ้าน เมื่อพวกครหอขัด ส, สุขก็ไม่ถึงสุขด้วยเมื่อทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยเมื่อมีธุรกิจทิศเกิดขึ้นที่ต้องทําก็ไม่ถึงความช่วยเหลือด้วยตน น, นะพี่โสย่อมไม่เกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเวลาเช้าพี่โุนุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวอนเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเพื่อบินทบาทรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งสติมั่นสํารวมอินทรีย์ย่อมไม่เกี่ยวข้องในที่นั้นๆย่อมไม่รับในที่นั้นๆ ย่อมไม่ติดอยู่ในที่นั้นนนั้นไม่ถึงความชีพหายในที่นั้น น, นพิสูจน์ย่อมไม่เกี่ยวข้องในบ้านแม้อย่างนี้เนี่นนะคุณชูก็ฟังข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้นะถ้าเกิดได้บวชก็จะได้ประพฤติปฏิบตัติตามอย่างเคร่งครัดเถอนะตัววัาตรกะสูตรไปท่องไว้เลยเนี่ยนะนี่แหละนักบวชต้องทําอย่างนี้เหมงอนกัน คำว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านคือภิกษุไม่พึงเกี่ยวข้องไม่พึงติดไม่พึงพัวผันในบ้านไม่พึงเป็นผู้กำหนัดยินดีลหลงไหลติดใจในบ้านพึงเป็นผู้หายกำหนัดปราศจากความกำหนัดสละความกำหนัดเสียแล้วเนี่ยนะประพฤติตนเป็นดุดพรมอยู่เรียกว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านต่อไปวินิจฉัยคำว่าไม่พึงเลียบเคียงกับชนเหล่าอื่นเพราะอยากได้ลาบเนี่ยนะ ก็การพูดเรียบเคียงนี่เป็นไงนะพูดเรียบเคียงเอาลาบะน่พูดเรียบเคียงหวานลาบก็คือพวกคำพูดหวานล้อมการพูดเรียบเคียงการพูดเรียบเคียงด้วยดีการพูดยกย่องนะชมฝ่ายโน้นอ่ะนะยกย่องด้วยดีการพูดผูกพันการพูดผูกพันด้วยดีการพูดอวดอ้างการพูดอวดอ้างด้วยดีการพูดฝากรักความเป็นผู้พูดมุ่งให้เขารัก ความเป็นผู้พูดเล้วไหลดังว่ากแกงถัว่วความเป็นผู้ประจบความเป็นผู้ผู้พูดแค่ไข่แค่ไข้ก็คือเนี่ยไม่ทำบุญทำศนบ้างหรืออะไรเนี่ยเดก็พูดจนเขาต้องให้อะนะเียก็พูดแค่ไข ค, ความเป็นผู้พูดอ่อนหวานเป็นผู้พูดไพเราะผู้พูดด้วยไมตรีเป็นผู้พูดด้วยไม่หยาบคายแก่ชนเหล่าอื่น แห่งภิกษุผู้หมายมั่นด้วยลาบสการะและสรรเสริญมีความปรารถนาลามมกอันความปรารถนาครอบงาเป็นผู้เห็นแก่อมิตรหนักอยู่ในโล ก, กธรรมนี้เรียกว่าเรียบเคียงอยากได้ของเขามากะนะอยากได้ลาบสการะของเขาอ่ะก็ใช้วิธีเรียกว่าใช้กลโลบายเนี่ยนะกโรบายก็คือกลนะนะมายากลหลอกลวงอ่ะนะ เหมือนกับพวกหลอกลวงระบำงูเป็นต้นเนี่ยก็ใช้วิธีลวงคนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันก็ใช้วิธีลวงโยมะนะลวงจนเขาต้องให้อะใช้วิธีนะโปรยคํายอบ้างต้องดูหมิ่นบ้างไอ้คนนี้เนี่ยต้องดูหมิ่นเขาจึงจะทําบุญไอ้คนนี้จะต้องยอเนี่ยนะเขาจึงจะทําบุญต้องทํากับเรานะไม่ใช่ไปทํากับคนอื่นไอ้การพูดให้เขาทําบุญให้ทานที่อื่นมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พูดหมายถึงว่าเอามาทํากับตนอย่างเงี้ยพวกลักษณะนี้แหละก็เรียกว่าเรียบเคียง อีกอย่างหนึ่งพิสูจพูดเรียบเคียงกะชนอื่นด้วยเหตุสองอย่างคือตั้งตนเอาไว้ต่ำยกผู้อื่นสูงเรียบเคียงกะชนอย่างหนึ่งยกตนไว้สูงตั้งผู้อื่นไว้ต่ำเรียบเคียงกะชนนีดหนึ่งพวกที่ตั้งตนไว้ต่ำยกตนยกผู้อื่นสูงพูดเรียบเคียงกะชนก็คือว่าตั้งตนต่ำยกผู้อื่นสูงคือพูดกะชนอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่ฉัน ฉันนี้ได้บินทบจีวอนบินทบาทเสนาสนาักีฬานะปั จ, จัยเภสัตบริหารเพราะท่านทั้งหลายแม้คนอื่นๆย่อมสําคัญเพื่อจะให้หรือเพื่อจะทําแก่ฉันคนเหล่านั้นอาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายจึงทําแก่ฉันแม้ชื่อเก่าของมารดาและบิดาแม้ชื่อแม่นั้นก็หายและไปฉันย่อมปรากฏเพราะท่านทั้งหลายว่าเป็นตระกูล กุลุ ป, ปะกะของอุบาสกนะพิกษุประจำตระกูลของอุบาสกชื่อนู่นพิสูุประจําตระกูลของอุบาสิกาชื่อนู่นอย่างงี้แหละพิสูุตั้งตนต่ํายกผู้อื่นสูงเรียบเคียงกับชนอื่นอันนอันนี้นนนนก็เรียบเคียงกันไหมถ้าถ้ายมไม่ให้อัตมาและใครจะให้เนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยนะถ้าไม่ได้โยมเนี่ยไม่ได้โรคปัจจัยสีนี่แหละะ ไม่ได้อาจารย์เกศสอเนี่ยนะเราไม่ได้มาฉันอย่างนี้กันหรอกอย่างเง้ยนะก็เรียงเรียบเคียงเละเล็มอยู่นั่นแหละเหมือนนหวานล้อมอยู่นั่นแหะอันนี้แค่ว่าพูดเรียบเคียงพิสูุพูดยกตนสูงตั้งผู้อื่นต่ําพูดเรียบเคียงกับชนอื่นอย่างไรก็คือพิกษุยกตนสูงตั้งผู้อื่นต่ําเรียบเคียงกับชนแม้อย่างนี้ว่าฉันมีอุปการะมากแกท่านอันนี้ยกตัวเองสูงเลยนะแกนะพวกท่านอาศัยฉันเนี่ยจึงนับจึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วอาศัยชั้นนี่แหละพวกท่านจึงเว้นขาดจากปานาติบาต์อธินนาทานการมีสุมิชฌาจามุสาวาตจากเหตุที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยเพราะฉะนั้นชั้นเนี่ยบอกให้พระบาลีชั้นบอกอธิกถาบอกอุโบสถย่อมอํานวยการก่อสร้างแก่ท่านทั้งหลายก็เมื่อท่านทั้งหลายลืมฉันเสียแลว้วย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุเหล่าอื่นนะก็เรียกว่า ยกข่มเขาหน้าดูเลยนะนี่นะได้นับถือพระรัตนนาตรายก็เพราะฉันนะแกรักษาศีลห้าก็พ่อฉันนะเ น, นะนี่ยนะฉันสอนแกหน้าดูเลยนะขณะนั้นแกยังไปนับถือภิกษุอื่นอยู่รือเนี่ยเรียกว่ายกตนสูงกดผู้อื่นต่ำเนี่ยนะนะก็จริงๆก็เลียบเคียงจะเอาของเขานี่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่าไม่พึงเลียบเคียงกระชนเพราะอยากได้ลาภความว่าภิกษุเมื่อจะให้ลาภสําเร็จไม่พึงเลียบเคียงกระชนนะ คือพึงละบรรเทาทำให้สิ้นตายให้ถึงความไม่มีซึ่งการพูดเรียบเคียงกับชนเป็นผู้งดงดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยการพูดเรียบเคียงเพราะเหตุแห่งลาบเพราะกรลณะแห่งลาบเพราะความบังเกิดขึ้นแห่งลาบพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงพูดเรียบเคียงกับชนเพราะความอยากได้ลาบ สรุปคาถาว่าภิกษุไม่พึงตั้งอยู่ในการซื้อการขายไม่พึงทำกิเลสเป็นเครื่องค่อขอดในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านไม่พึงพูดเลียบเคียงกับชนอื่นเพราะความอยากได้ลาบเนี่ยนะก็อย่าไปพูดเลียบเคียงเอาลาบเขาต่อไปนะว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โอ้โอวดเนี่ยนะภิกษุ ไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่ง น, น, นี่ก็เป็นข้อเป็นคุณธรรมความประพฤติเลยนะว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดโอ้อวดออดอ้าง พิสูจนั้นย่อมโอ้อวดอวดอ้างว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่าไปอวดว่าตัวเองมีศีล น, นะหวังั้นถึงพร้อมด้วยวัดถึงพร้อมด้วยศีลด้วยวัดถึงพร้อมด้วยชาติโคตรบุตรแห่งสกุลรูปงามด้วยทรัพ น, นะถึงความเชื่อเชิญหรือว่าหน้าที่การงานหรือถึงพร้อมด้วยศิลปะวิทยาฐานะการศึกษาด้วยปฏิภานหรือว่าด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เราออกบวชจากสกุลสูงออกบวชจากสกุลมีโภกคสมบัติมากออกบวชจากสกุลมีโภกคสมบัติยิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงจําพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมเป็นนักธรรมกถึกเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเน่ยนะเป็นผู้ถือธูดงเป็นผู้ได้ฌานได้รูปฌานได้รูปฌานเพราะฉะนั้นภิกษุไม่พึงพูดโอ้อวดอย่างนี้เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปก็ไม่ต้องไปอวดมันพึงละบรรเทาทําให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งความพูดโอ้อวดพึงเป็นผู้งดเวน้นเวน้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับการพูดโอ้อวดพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โอ้อวดนะะอย่าไปโอ้อวดอย่างนั้นนะไม่ว่าจะคุณธรรมที่มีอยู่ในตนนะอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ไม่ต้องโอ้อวดอะไร